12. ทำสมถะให้ถูกต้องจะมีจิตผู้รู้เพื่อเจริญปัญญาวงเล็บเปิด 8. มีนาคม 2,551 นาในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดถ้าทำสมถะต้องทำให้ถูกนะทำยากนิดนึงส่วนใหญ่ทำมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคลิมนี่ใช้ไม่ได้เลยถ้านั่งแล้วรู้สึกตัวเวลาที่จิตรวมนะรวมด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่รวมอย่างขาดสติ เวลาจิตรวมมันจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายเลยตรงที่จิตรวมเข้าไปจริงๆนี่มีวิตกคือจิตมันตรึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันไปอยู่ของมันเองมีวิจารคือจิตมันเคล้าอยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยเราไม่เจตนานะถ้าเจตนาอย่างจงใจไปรู้ลมหายใจอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงต้องให้จิตมันเป็นเองเพราะจิตมันไม่หนีไปที่อื่นไม่แส่สายไปหาอารมณ์อื่น มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวด้วยตัวของมันเองมันตรึกอยู่ในอารมณ์นั้นมันตรองวนเวียนอยู่ในอารมณ์อันนั้นไม่หนีไปอย่างนี้ถึงจะเป็นสมถะจิตก็จะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาถัดจากนั้นพอสติระลึกรู้ไปที่วิตกวิจาร์รู้ว่าจิตจะไปเคล้าอยู่ที่ตัวอารมณ์นี่ตอนที่จิตจะไปเคล้าเคลียเกาะเกี่ยวกับตัวอารมณ์ยังเป็นงานที่หยาบพอสติระลึกรู้ลงไปจิตมันก็หยุด มันก็ดับวิตกวิจารณ์ไปหมดความตรึกและตรองในอารมณ์ไม่เคล้าเคลียในอารมณ์สงบอยู่ที่ตัวของมันเองจิตที่สงบอยู่ในตัวมันเองที่อยู่ในฌานที่สองของพระสูตรหรือฌานที่สามของอภิธรรมมันพ้นจากวิตกและวิจารณ์เกิดเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งขึ้นมาพอมันพ้นจากความคิดแล้วมันก็เกิดธาตุรู้ตัวรู้ขึ้นมาเอโกทิภาวะคือจิตที่มีสัมมาสมาธินั่นเอง เป็นภาวะซึ่งจิตเป็นหนึ่งเราอาศัยจิตตัวนี้พอจิตมันจําสภาวะที่ตั้งมั่นเด่นดวงอย่างนี้ได้แล้วพอเราออกจากฌานมาอยู่ในโลกภายนอกด้วยจิตที่ยังตั้งมั่นอยู่พระป่าท่านจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นทันทีว่ารูปนี้ไม่ใช่เราเห็นทันทีว่าเวทนาไม่ใช่เราเห็นทันทีว่าสังขารไม่ใช่เรา แต่จะเห็นว่าจิตยังเป็นเราอยู่เพราะจิตมันตั้งมั่นเด่นไม่เห็นว่ามันเกิดดับเลยหรือถ้าสังเกตต่อไปอีกถึงจะเห็นกระทั่งตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเห็นอย่างนี้โอ้ผู้รู้นี่เกิดดับอีกนะอย่างนี้เห็นเลยว่าขันทั้งหมดเกิดดับเห็นอย่างนี้ก็จะเดินต่อไปได้